โมฆลลานะจะไปนิพพานที่ไหนที่ตาบลกาลศิลาพระเจ้าข่าเมื่อพวกโจรไปแล้วพระมหาโมฆลลานะผู้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว <|kn|>> ่าเราควรไปเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วประสานกระดูกด้วยเครื่องประสานคือชาน กล่าวคือเข้าฌานแล้วอธิษฐานให้อัตภาพของตนเรียบร้อยเป็นปกติดังเดิมแล้วห่อไปสู่สำนักพระาศาสดาซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ณเวรุวันนรรครราชฤท์ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกวัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะนิพพานแล้วข้าพระองค์ขอทูลลาปรินิพพานพระเจ้าข่า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 พิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชจริงหนอพระมหาโมคคลานะมรณภาพในแบบที่ไม่สมควรแก่ตนเลยพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายโมคคลานะมรณภาพไม่สมควรแก่ตนในอัตภาพนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมของตนที่เคยทําไว้ในชาติก่อน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 รู้ก่อนท่านผู้เกรงภัยในวัดตะความหลงผิดทําให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมารดาบิดาคร่ําครวนถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขาได้นําภัยมาสู่ท่านทั้งสองโดยมิได้ประวันพร่านถึงบาปกรรมและไม่สะเทือนใจในเสียงคร่ําครวนของท่านเรื่องนี้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช ส, สลุดจิตอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง ศาสดาครั้นนำบุพกรรมของพระมหาโมคคลานะมาเล่าแก่พิสุทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพิสุทั้งหลายโมคคลานะทํากรรมหนักอย่างนี้ในอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในนรกมกไห้อยู่เป็นเวลาหลายแสนปีแต่วิบากกรรมยังไม่สิน้นเธอถูกทุบตีจนแหลกรละเอียดอย่างนั้นถึงหนึ่งร้อยอัตภาพมาแล้วพิสุทั้งหลายโมคคลานะ ถึงมรณกรรมไม่เหมาะสมแก่กรรมในปัจจุบันก็จริงแต่เหมาะสมแก่กรรมที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตโดยแท้พวกเดรรถีจํานวนมากประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายก็ถึงมรณกรรมเหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมได้รับภัยพิบัติสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งหนึ่ง ถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความแตกสลายแห่งสรีระเช่นการถูกตัดมือตัดเท้าหรืออุปเทวเหตุอันทําให้อวัยวะพิการหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งกิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปศขัดขวางจากพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่หนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่ง